พอไับเลื่หวเคลื่อนต้นตอได้อโกาเจออาจะไปสงเรีอนการธนิชขอไปเล่ยนปรทธานญายวนอาจจะจมาเรียนการปฏิบัติธรรมในสถานที่บนโมเขน เวลาปวดปุยอยู่เปนเล่นใ น, น้อยเพื่อจะขัดสัฒนาเจ้าภาพวันมีดตัวเป็นวันทีขาของงานที่เขาได้มารวมกันก็สุปฏิบัติในเฉพาะพ หมดโมก็เทวาเป็นสถานที่ที่เคยปัดอบรมมาเป็นระยะจิดต่ อ, ตอกันมานุนนานจนเป็นตามาแหละโอเคว่าเรามีกิจกรรมอืม่นหนึ่งอย่างอื่นเป็นดอกไทเห็ด นี่ยแตเริ่มต้นแต่จลองขอเทียนคือท่นเคยพาตาลบจัดงานอันนี้เป็นทั้งเละกะลายสาลาปีแต่ได้มาร้วนเพลินจิตจันรมาหลับฟังทำไมตอนตอนจะเละนั่ก น, น, น, นั่งนิ่งนน่งนิ่งม่ กาปรปฏิบัติธรรมนี้ปัญญายุ่งมากกันหลายอทาจะี่ว่าอนั้นเป็นอดีตที่ล้เล่ ก, กปัจจุบัน น, น, บนี่ก็ปัาจพุนึ่นตันเร่ใการปัาในการประพฤติปฏิบัต แต่เดจะพาะในทางทิ้นบางคนเจนให้อุอดอนระชากไปยกแต่คพรอิสานรักปฏิบัติแต่เรจะพาะก็บของพืนมืออันหนึ่อันออ น, นึ่นจะกลาไปหรืเปี่ยนอีสานะลิ กัรงานห่งการงานงนี้จะเกะเป็นจริงจรินี้ประโยชน์เพราะฉะนั้นในกตามเขาในานะที่เป็นชาวพุทธในกัรงานทางนี้ไปจำจริงจทีนี้จะเป็ว่าผู้ที่ไม่รู้งานจะคงสิ่เป็นผู้เก่าเป็นคนใหญ่ทำไมก็คงที่มีบ้าง แต่คงสุบลายแต่เป็นการที่ามาทดควนรยุดในหลักปฏิบัติบาตหรือบางคนก็ได้ติดตามงานอะไรายงานเราะนั้นแลักปุตาสนาของเขาทำขคําสอนของประจาสดาก็เราะว่า เป็นธะของคุตบริษัททางสิ pues ่ mm. ิตตุอันหนโดยสัิ์จิตตอักรดอยเฉพาะจารงานอันหนึ่งจะปลุกยัจะคุติมีอุบาตตกอุบากิตต์อันปุกยงเป็นจิตุุรันหนึ่งแต่วนกคน ทุลของาศาสนาของเองถ้าเป็นจัดไว้ในคำพูพวันตะว่าคันธาทุละเป็นการศึกษาคำเฮียนทางอัคระพยนแนะตามหลักฐาที่เป็นจัดไว้ในกระพบ คือนักทำคือนักทำโทรศัพท์ทำเองอันนี้เป็นการศึกษาทั้งแผนที่ทางจิตกระด็นกระเด็กระเพาะ อ, อันนี้แต่คงจะมีเป็นแต่จิต ก, กุตมาเนืน่องทําด้นเรียนด้ศึกษากันในท ง, งเรียนในออเรียน แตส่วนในออกไปอยู่บ้านแต่คงจะ น, น้อยนะักขามีกับมีธรรมาศึกษาไปกันบ้านบางบานก็นมีนะมีการไปจ า, า, า, ะ, า, าะไปซงไปซ้อนธรรมศึกษาเพื่อไปสอบอะไรปากาศมีบัตรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งการศึกษาทางปริญญา จะเป็นแหตุแทงเพื่อให้เข้าใจทำดีในมี่ารภาดีในภาโสภาอนิธรรมทำทุกเวาแล้วนามาปฏิบัติแต่จ้งที่มีผลโดยส่วนใหญ่อะโดยเฉพาะ จต่การตำนเยี่ยนางๆลางรูปวามันเ่นกานเยี่ยนไม่ออกก็ออกเป็นผู้ที่อุปการควาู้อันเดียวเพาะกขาที่มีคุญแจทางปีศาบันเาจะไปตนีมามีการทำการเยี่ยนนักทันตลอดทึงก็เลียู่ว่าทางอีสานเมี ขึ้นเฮลซาในจังหวัดอื่นโดยจะเพาะจังหวัดตั้งลักขันทพัณละการทมเียนทางปริัติคุยวัดอัตมาบางทีเราเคยสอนคือสัตย์เก่มนปรย์ปุาที่มาบวชนำมีการ ส, น ส, อ, นสอนการนั้น เป็การเรียนของข้าเจ้างครั้งบางขณะก็เป็นการที่จัิตใจในการเรียนไม่ว่าทางตัวที่ได้มาเรียนทางออกจากวัดแดี๋ยวมาเรียนจอทางคอนเทนต์นทางนั่นประจําทําทีทําโซทําเอกไม่ว่ า, าเล็กตัวเรียน ะมีบางคนกคึกว่ามันเป็นการมาเลียนเพื่อจังใจเรียนเพือเอาใบประกาศดีบัติแต่ว่าพฤติกรรมบางตับางอย่งางในการทำการเฮียนไม่ได้ผลประโยชน์กลายว่าใจจิตก็มีการเปลี่ยงแต่ มีเรียนคันธารทุนละแต่บุคคลบางคนการศึกษาไปนำไปมีการก้าวหน้าในการพฤติกรรมหือการปฏิบัติการโดยคนใหญ่โดยเฉพาะกําลังนุ่งน้อยๆพวกนึงจบทำอีกคนละมาไปหาบานหอดเงอนไปหาบานหอดเมืองการต่อไปปฏิบัติ กายึดถือมืเด็กตุงเมี่ยถเรือนปฏิปทาเล็นเ ก, น, น, ก น, น, น้อยๆขอวัดปฏิบัติมันจะยังเร่เอาไหนเลยามมาเทำมาจบทำอีกเรียนทำอีกต่บทำอีกมาเลยอันนี้คือการเรียนคันฐาทุนละบางคนบ่ามันมันมืไป เรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแตของการศึกษาแต่ตามปฏิพันธ์ังไว้ทำไมถึงว่าคันทา้าทุนละก็ะเพื่อเป็นเหตุแห่งกันเพื่อประบัติปฏิบัติมีคันทา้าทุนละนะครับ เทคนีคนี้พัฒนาทนละก็จะเท้าทีเดนมารวมเป็นที่นี้ในออกพ้ออกโดยจะพอยในอกเตรยมยันาอมได้เลียนทางกระดาษมาได้เรียนกุจักรวัติก็ไดเรียนในมาไดเรียนธรรมะทิวายทำมีอุปครณมาสองอย่างมาไดไล่รัตสุมไดไล่นั้นในกระดานคือเลียนที่เลียนในห้องเลียน อันนี้เฮ้าโดยเฉพาะ็ถามที่โดยสถาบันที่เฮ้ามารวมกั น, อ, น, อ, นอยู่ในในจึงว่าจัดขึนและก็ให้ใอยากโยมในการเอากายเอาใจมาทดสอบกันเลยในหลักปฏิบัติอันนี้ปฏิว่า มองและมารวมกันกานพูดถึงกางพูดการตามตำนานอาตมากระบวนจะว่า ต, ตามตำนานคนกระบวนท่านี้อัคระพยัญชนะทนี่สอนที่เฮียนกันมีจงเจริญา ส, า ด, าสด้าแสดงธรรมหรือข่าสตาบกแสดงธรรมดูพุทธบริษัท่ังแล้วกัน เห็นแจงเห็นจริงมีจิตใจจริ ง, รงทุตพนสะอาดระว่างสงบคอยแต่การปฏิเจติธรรมมีคนเบือหน่ายมีความขยันกำหนัดมีความลดผลเราไมีว่าให้เราลักษณ์สุดในสมัยมสมานิจนักสุดสมานิจะท่องกันได้กัน เป็นต่างโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้ใจจนบาทีก็คงจะเป็นผู้คงจะเลี้ยงทำงานอาจจะมีพอจันาร์พอ้นี่ยคู่ก็จะมีที่บวชติไปแล้วฉะนั้นเอาในฐานะที่ จะว่ามาทำดิปันาทุละจะเนตายในกรเชียนก็บอกันเนาะอันนี้ผู้ที่เคยปกติปฏิบัติมาแล้วกระทผู้ที่เล่นตนไม่กระทำดจปฏิบัติของเราทุกๆคนจะเ็ตุการณ์จังละเด่นจังกลม เป็นการเทวาเอากายเอาวาจาเอาจิตใจเุ่เทลงกันเลยแก่โด้จะพาะกรวบาอาจารย์คนไดให้คอยคิดเจะจะทายงานงมทุกทุกเหีุกทุกเจ้าแต่ตอนี้ก็โดยจะพาะกระตืพอเข็บพงคอเทียนให้เปิดให้เราฟัง และก็ทุกคนก็คงเข้าใจในหลักปฏิบัติฉะนั้นเ้าเอากายเอาปัจจาเอาใจคนเทลงไปก็คืปฏิบัติมีติการศึกษาที่เป็น น, รรนักศุลกาเป็นอะไอันนี้จะเป็นศุละาของประเทศบริศัตร์เพื่อที่ได้หู ตัวเองที่ได้เห็นตัวเองแต่จริงๆจุดทุกคนได้เห็นตัวเองแต่บางส่วนั้อาจจะไ่เห็นการศึกษาและการปฏิบัติการยกมืองการเรีนชมกลมอันนี้เปไปว่า เอาถ้าทุกคนเต้มใจกันครูบาอาจารย์ในหลงขอเชื่อมเงินเข้าก็เป็นคงจีมีการเปลี่ยนแปลงอะไมเล็กแต่น้อยว่าเอาแต่ก่อนคงจีเห็นตัวเองเป็นบาง่วนเป็นบาวนกคงสีบ่เห็ เพราะว่ากน็นเสนอดอกเ่าไร่ย่ามทำคนเทียนาการจังหวงะเ ด, ดินจังกมจับพวงหรีดสุกแต่ตอนเขากระบบเคยบอกคอกนหุ่นสุดเป็นเลยเฮากับทำากิจการงานตริงทริงแ่ยางเขากับทำไปเาะว่างานน่อยใหญ่เขาก็สำเร็จ ไอ้ว่าเขาก็บริเกมากำหนว่าให้ทำริอันนี้จะทำ์ับคนหูกันหูมตาอันนี้อยู่เป็นบฏากศรกรรมปัญญาากปัญญอยู่ใน บกว่าทำในอุปการะมาคือหมดสองอจะว่าไปล้เนหน่อยทองกันแต่จะติดสือย่งไรจำเปจากือยงไรใชงแต่ว่าถ้าบอกว่าอ้าเนนนั้นราักษ์คือเจ้าใดโดดขเจ้าปั แต่ว่าวความเข้าใจเอามาอยู่กับเนื้อกับตัวนี่จำได้จะอยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี่อันนี้เข้าไม่ได้ทําจังสันแต่ว่าเขาเอาพฤติฤกรรมคือหลักปฏิบัติจะทําไปหนึให้เกิดแต่นี้กระเพาะอันนี้มันต่งางกันทันทารุเลาวิปัฒนาทุเลาเขาจิเข้าใจว่าพฤติคือจังใดจังเป็นัญอยากคือจังได มันนสมบล้านกับเขาประเด็ยนยูยในนกโกรธก็ยูในนังซื้อฉะนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าตาิดตัดไปมาไม่กายกองแปดหมื่นสี่พันปฐมคันแต่คนสี่เลื่อนลงมาโยตีกายมีวายใจติดติดใจของเขาต้องบอกเนาว่านะคือมีความชังสั ญ, ญัตติดใจ ให้เขาสึกษาให้เขาปฏิบัติแต่จะมาไปแล้ ว, วเป็จะเพาะในออกขาม mm hmm. ีแต่เฮื่องบ่ได้ลำนำน้ำมันเรื่องรัตตเรื่อง mm hmm. อันนี้โอกาสนี้เขาม่ได้มาศึกหามาปฏิบัติจริงๆแต่ที่ว่าเป็นการคนขวเป็นการปฏิบัติศาสนาคือจั ด้ัยลวารมรลักษณพปฏิบัติของอ่าทุกๆคนีนคเหมือนกันเขาจะคุมห่องไปห่วงเพื่อการเปลี่ยนแปลงห่วงเพื่อการพัฒนาให้ก้าวหน้ามันห่ลงโกเก้ า, น า, นราพระโลก คนวัดนี่แหละแก็จะมีก็เคยได้ยินคุบาอาจารย์ที่เคยอยู่ลำพันการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะคนวันจะคุบาอาจารย์เอากอปัจจุบันจะเค่าอกมันเป็นบางส่วน่วลักษณะของจิตใที่จริงทำเอนอยู่คือการปฏิบัติธรรมะบางขณะจะคือบางที่ที่มันเขา ใจมันมีความตื่นตีอดีใสายๆกับคื่อจุดดอกไฟคขนชูที่ถุงในสภาพแวดของจิตคือจิตห้าวเจ้าจิโดโม่งมุ่ละต่อไปจำเร็จเป็นกระทมปฏิญาณเป็นบางทีบางอย่าง แต่บางขณะมันก็ซื้อกับบางไปลงมาซูดีใไมจอันนี้ับทะ่ชาวี้นไมได้นอนตัวออกมาไม่ยนอ่างคเขียนกับบางคนเขียนถ้าก็ขู่สีอดีบา็คู่สิแต่กเมียนร้ายก หนึ่งประมาณจะ 30-40 ลูกแต่อาจารย์มีละบางยูหนึ่งคุณนกระยงหลัปจะเจนเทออ่านี่ลูกพ่เทียนพระยโแลใก็รปีนัน้นนี้การปฏิบัติท้ำกันหลายาพระทษ่จริงจะไม่เอากัรคำละคำมินในกรรท า, ายามโยงกัะหราย โดยการมี2องามองค์ตลกโดยตลกปฏิญาณตัวเองเราปฏิบัติธรรมพอ อ, อระชาราแล้วแล้วพอกอบมีการไปชมมีการให้คอยคิดให้ทุกองค์คนณะคอยคิดคอเห็นคนกาแสดงออกว่า มัเกิดจากสติเราจะของนี้ลุดผลสำเร็จกันณ์อนุโมทนาสาธุนาำพน์ที่เป็นสองสามองค์องค์หนึ่งก็อยู่ทางคำแพ่งคิดปุน่นลองค์หนึ่งก็อยู่นครสวรร์อัาพระนคนสวรรค์เป็นเจ้าคุณ อาตมาจะคิดหน่อยใจว่าตัวเองเดนจบเป็นคือเพลนทำเพื่อเี้ยนคือเพลินลงมืการลดุลคือเพล่นคิดหน่อยใจเพินกันโดยเป็นญาตตัวเองเลยลดผลไปแหละะทั้งมีใจน้เพลนทั้งนอยใจตัวเอง็อยู่มากก็จะไม่ทังตี ตเกตรเปรี้ยมี๊องง น, นึ่งก็เกิดทางกัะเพงเถิดกระบาดอันนี้คือความมั่นตตีเกิดขึ้นในทางบางทางบางขณะที่เข้าใจสภาวะอารมณ์ที่เป็ น, น, นลมเป็นน้ำเป็นลมหมด อยางอารมณ์่เปนาวไปมันเกิดติเตว่าจะของนี้มันเบามันบางมันหลุดมันพ้นคือจะกินอะไสักอิ่างินเลยมันเกิดติสตเป็นบางขณะบางครั้งบางขง้ า, งขาวอันนี้ก็เลยจมบ้างก็เลยมีเวลาอารมณ์มันกลับ มันจะเลยเอาตัวเองเ้าฟังในกระทั่งเห็ุอุปจาแล้วยังมีการป่นเหล่ามีกันทุกข์ทุกอย่งอางอบายา ม, บมุกหกกับมีนี่คือมันมันมันเกิดปิติบางทีบางอย่างแล้วเลยเหงเข้าใจอารมณ์แดยลำนำโดยหงไวยถึงภานปฏิบัติ แลยก็อารมณ์ปฏิบัติ่เลยพังทะไล่อันนี้บม่เส็มเต็มอันนี้เราหัฟังคือจะของหมดแล้วว่าจะของรุ้คลรู้ผลประมาณฉะนนั้นงานโยมเขาก็ะเรถึงรปงานดอกแต่คงที่เรไม่พูดมีจากตัวใดประพฤติปฏิบัติที่ส่มไขอใจทึงว่าเราวางรุดผลแต่ขออนุโมทนา ในกาขอต้องพยายามให้ลำนำารักปฏิบัติลำนำอารมณ์จงหมายจงว่าห้อคองไว้จึงการปฏิบัติคือพยายามมีสฏิิิิมิิิิิิิิ่ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิินิิิิิิิิิิ จะมาไปแล้วพวกอาจารย์ที่ที่เราเคยนอนท่องวานมันคือบางไฟมันเท่ากับไม่ต้องขึ้นคือบางไฟเราก็ต้องลงคือบางไฟค่อยๆไปบางกายบางคิดบางกายบางใจอันใดอารมณ์อันใดที่มานจะทบมันจะติดมันจะเป็นสัญญาเพว่าโออันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นกันหา เห็นมันหมุนหงปล่อยว่างคันเฮ้าอฏิบัติไปแลยเข้าใจในอารมณ์นอนํำนำบเบาทดทวนนด้ตั้งมาะคู่นึงไม่จริมากเป็นบางคันงบางคณะ อารมณ์ที่มันก็หาห้องแา่ขณะใดจิตใจมันเฉ็งเฉลียงมันจะมาข่มเงินหน่อยแต่ขณะใดจิตใจที่อ่อนแอแล้วกะเอาละ่ะทิเป็นโลภะเป็นโทชะเป็นราคะเป็นปัญหาข้อคํามจนกระ ท, ทั่งหัวสุกหัวสุน่นอันนี้คือลักษณะมันนี่ตุกตุกคน การศึกษาการปฏิบัติเพื่อให้เขาใจตัวเองอยงัวนี้มีอยู่กรบเขาบวชตั้งใจประเจ้ส่อาจจะมาตลอดอยากลงมือศึกษานี่ก็เป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมที่มีอยู่กับเขาการเห็นหูเห็นเ้องรักปฏิบัติตังให้หูอย่างอื่นถึ่งหลวงพ่อพระเจ้าบอกบ่กให้หูนอกว่านอกแผ่นดินให้หูตัวห้อง หูลูหูหน้าหูกายหูใจจะเท่าแบท่านทั้งหลายอยู่กับพ่อทั้งานเลยตั้งใจขันเพื่อนทานเนกระทั่งตลอดข่มรุดขมพลอยกับอ่องสุกคนกายอนวาสเถิดทีคนี้ไม่อยู่วัานาอนนื่ น, นเป็นการคิกษารีรปสัญญสานาทุละคงจะต้องว่าเป็นจริงที ท่านให้เฮ า, านี่ตามจากแต่ก่อนตามจากแต่เก่าแต่ก่อนของบุหูตัวเองเอาไปเข้าใจชีวิตจิตใจของตัวเอมงมวทามฐฐาสืดตามมาปฏิบัติจริงที่เรเห็นตัวเองเข้าใจชีวิตจิตใจของตัวอเองมากน้อยแล้วแต่ อุตนะใจใจของเจ้ะบุคคลน่นเป็นบุญที này, ่ใครกิงก็คือบุญการเข้ามาปฏิบัติธรรมนี่อันนี้บุญมหาศาลบุญใีญด้วยถ้าเป็นอาจารย์ตุนสักเป็นวันไนเราจะไปวางมากไปบุญภายนอกบุญหลอก จะโดยเฉพาะห้องจึงเจะการเด่นโดยเฉพาะมีการเห้องในเวลาหยุดจากการเจ็บเปยวแล้วก็มีการชียงหนือยิ่งจะเจ็บนทางนั้นแต่ละยิย่งย่อมจะบานบนกันว่าบาหวานเบาไ ว, าวาจะจีรัากาบเต็มตัวงานบน เงินหายก็บอกท่านในการสมัยนี้บอกคือสมัยก่อนที่ออกดัดเป็นสมดบกขนเลครัแต่ละเดือนหลายต่างหลายเงินผู้ที่เดือนน้อยห้อยน้อยก็ลำบากก็สมพวรนี่คือการเดินไปทาบุญบป็นยังไะก็คือบนเจ็ดเข่าเป็นยังแลก็บรรพบ้าก็มี อันนี้คือประเทนี <wygląda Tiffany> ้ของอีการของเขามีมาเรือประมาณเอาแตงเจ็บบุญการลดแตงเจบุญไม่เั็นคนยานั่นแหละบุญที่เขาปลดก่อยชาวบ้านบุญนี้แหละบุญตามแบบเท่านันปลดลบุญ กระถินกระตางตาบุนพระปาบนพรเวบนแจกเขาตาลบเพื่อกินตาลบเพื่อคนสนุกสนานตาลบเพื่อเอานาเอาตากระดัษไม่เมืนเพื่อละกิเลสก็เพื่อ เ, อเื่ออเบาให้บางซื่อเขามาเห็ น, านตาลบบนเต่ละขับ เกิเป่ยนการมีาดะใยก่มกย็นมาเห็ุมาทำอันนี้คือปัญญุญน่งนั่งนี่คาัวาั้วอันี้ปัติวัเป็นโมหน่งเราบ่ไดบอกบอกว่าบุดบ่ใดเพราะว่า โอกาสิป่ไปเยะเขาปาหลบโลกเป็นยังพระปาหลบทำขึ้นเฮาอันนั้นทางเราบุญแบบอาธิตรมบุญแบบเกียบทีุ่นเกียรที่อิกรมมันหน้ามันก็ยังไงเถะดในบุญโดยในบุญลงติตรมเนี่ยน้นำตะข้องน้ำทางลงทีหลอนนนกนแสนสตกระโโตหก จินเหล่าข้าวงัวข้าวควาย ม, มีนั้นมีมะลำออันนี้คือแม่กระทง ท, ทีิที่เป็นวิชิก่อนในงานจินแหละเป็นมหาอิรม์ก็นีอันนี้ก็เปนมหาจิบานอันนี้บางวันที่ 18, สิบแปดก็มาทั้งรวมงานทั้ง คนเจริญแต่เป็นคนนมันอยาก น, านุอันนี้ข้อแม่งเรีย น, นเจริญแตยังต้องเสกวาไปเนี่ยมาหาเป็นที่ที่ก่อนในงา น, นเจเขาคือคงจะเป็นกเรียนหาประโยคี่ยงเราเลยก็เป็นคศกโอ้มาหาปัญญามหา นี่คือมาหาตเรเลี่ยนทางขั้นเทุนละมันเป็นลักษณะอังหนาึ่งลักษณะของหนวดบันามีลักษณะของดวงจลตะเลี่ยนธรรมอมแต่ถึงม า, า, า, มมงาไปแล้ต่ธรรมะมัเป็นขึ้นกันแท่แต่วาตาบะมืมมมมาหปวัดหัวเบียนงนี่คือลักษณะของมาหาจุ่ตระเลี่ยนธรรมป็มหาแบบ โซกปกโซหอาตมาคยคิดอยากอายโดยสงว่าประกาศดีจัดแผันสื่คือจะเรียนทำอันนี้วา น, นใจเขาใจอันนี้ก็วางในใจหวงฟังอันนี้คือตารลบบุญของเขาที่ชาพุทธมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องขื่นขื่งเรื่องงาละอายหรอสมิธอืนนอ่นใดๆนครับ ควกอิสาลามเขาคืออิดเปอร์เรนซ์พวกคิดเสียใจเขาอิมเปอร์เรนซ์แค่วุนี้มันมันมันจะจะแมาละอายอยางอะไรนั่นคือจุฬาลี่กับการลบุ่การดุกินิดนอกันมาร ด, ดความใจคิดจัดสดมีแตเรื่องบนทั้นนั้นมีสุนีิวาอาบิดตกอาบนา้ําคน อาบน้มที่น I mean ้ำห้องที่เหลวเมื่อทุกทิศทุกอยกนี่จริงจังกับประสบคดีงานทำคนเด็ดเช่นเตือนมากๆมมีเหล่ามียาที่นังมีมาล้อทุกทิศทุกายกพาเยาะชนเข้าไปในงานอ่าคนี้อ โราจะพออาจจะมาเข้าไปในงานโดยควบจำใจกับว่นเวลาอันนั้นเพราะว่าเขาไปในงานงานใดในบุญในบ้านมันเน้นเหล่ามันเน้นยามันเน้นข้าวเลือกงวง้วยคันเรไปกะอธิบายแจ้งฉันในทีเลือกที่หักมาที่ซ้ำาจะเท่าตอนนอกมันเรคือในเมืองการโยกิน กินแบบมาโรง่ายอันนี้ก็เป็นเกื่องนองอายจัก์ด้วยครับผมโเลนอยมันกินแบบแห้มันไม่นกินแบบมนุษมันจะสื่นเปลืองกันมานี่ขึ้ตบวจังไปเยมีรักาลหนึ่งรกาที่สองเากระตุกทุกคนหรืว่าอันนี้ล้านเ่คนว่า วานเผื่อตรงวังผลไครับถ้าวันเผ่อไปวังผ ล, ลจะเจอเหตุไปยังโดยจะเพาะังเฮาได้ยินไปเพาะไปเม่แจะไดเก้าบาท1ิบบาทโคสไปเิอวอวยพรให้หลับหลับสนสนทุกทุกชิ้นทุกอย่างในกระพูไปท่านจะแจ่จแจมแจกดีใจใ่กระทั่ง กสมบัติพิพัฒนสมบัตอิอ่ามีสันรายนยนจงวางไปได้การทนานง่นชีพะถามาเยสเอารลายริงหลายอย่างแล้วจะสิตปัถนาเอา อ, อันโคตรเขาบาหานให้ไ้กะ น, น้อยใจในกระทังบรงิยิ้มซือก็ับไปช่วงก็มีอ่อยเปิ ถ้านึ่งพันแหละพนัำนพ่านีน้นบัดนี้อันสือหลายอันสื่อลักษณะของห้องเจ้าพุทธทบุญคือตารชนะเอาเปส่งไปเแค่อเอาสวรรเอาเิุปาญย์ยสัมภะที่โลเป็นสว่างการจะทำาลกเป็นอากาลิกโกโ่กเป็นเอฮิปติโกเป็นป ก, การที่คำกล่าวที่ ตัวที่อาจารย์เขียนขึ้นมาไม่เป็นคาสอนของกฐากาตาแต่ว่ากทกฐาญาณโยมกับพ่อใจดึใจว่าจิได้ตื่นตายใจนี้นละเอียดสูห ร, รือม่านอยู่สูงๆอันนี้คือ ค, อคนปรารถนาของชอบพุทธอาจจะมาว่าพ่อละละดได้ละญาณโยมจะไปเกิอกดอีกเพราะญาณโยมเท่าตายไปเกิดอีก ที่เอายังมาอยู่ไม่กี่เมืองไทยเขาเป็ยังไงได้จักรยาก่มันหมดแล้วปลาไหมผู้เขาอะไมันหมดแล้วมนกระทั่งกูปลาหอยห้องข้องบึงมดไปแล้วเกิดไยังกินไปกินองชิงชิดยิ่งใหญคิดฝจังจะในเนุกสื่อทุกอย่างมันหมดแล้วเมืองไทยเขาไ่มีอียางที่เป็นนาทิศวัดแล้ว แต่กนะ่อนอาจามาเป็นเด็กกันยังมีเคร่องพุ่ใหญ่มีปาใหม่ยีู่กเขามีหวยหองลำคลองหวยนามปูปาบอ่นบบยาดเรห้องเฮาป่าจะนาไปเกิดอันใดอีกอากาศจะเป็นผิดในเมื่องคอนเจนรถกับติดไปมา ก, กันลำบากโดยเฉพาะอันไม่จึงเชกไปให้ที่เป็นโลกวิชากันนี้แลอายมากะเ็ เง็ดกระจกตาธนาจะเกิดอีกแต่แค่เดียวนี้มันก็คุกคลแห้งแล้วฉะนั้นให้มาศึกษามาปฏิบัติทมเพื่อให้มันูดมันพ้นเยื่อเสยจะเกิดแต่แเ่ให้มีวิจต้องหายใจเย็นๆจะจะให้มันเกิดให้มันดับไปซะให้มีพลังหายใจที่ถึงันเกิดมันก็ทุกข์ก็จะมาไปแล้ว นี่คือการทำบุญแบบย่ังละพันว่าจิตปัตนาคนเรือนร้อยเพลิ่งฝนอาบนา้ำโดยน้ำหอมจนชิมเงินลงเอาเตยงลงนั้นได้ลงในกาอาบมันก็ว่าสะอาดเท่าที่ควรดอกเหนียวเนื้อนะแล้วก็เฮ้าที่มาทำบุญเแบบนี้ มาเพช่ญปฏิบัติธรรมเด่นมาเฉลี่ยสายสาง ม, มาหัวแก่เห็นจริงในสภาพะของตัวเองไอจิเลศเป็นยังไงไอคนเชื่อเป็นยังไงโลกพาะตยาเป็นได้ไงมากำหนดเดียนี้มาทาไรเดียวนี้ที่ทไรไดกนเรื่องจะเข้าปฏิบัติอันนี้ที่จะเห็นเห็นที่จะเข้าใจแต่เท่าควาไปอีก ถ้าเป็นตันท่านทางวัตถุอยู่เป็นอนุเคราะ์ทเคาะห์เจางกระตามวัดว่าอารามกะตามเลื่อยกระทางอนุเคราะห์เคราะหลูกเาหลานจะตามเลื่อยส่วนทีจิตใจที่บริสุทธิ์ให้สื่อเให้เด็ได้รับผลี่ยให้เด็กคนตาที่ตามวัดว่าอารามก็ตามเพื่อให้มีความสาเร็จ มันจะตระนายยังเกินไปละให้ไปจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่เชี่ยวชาญจิตใจที่รอหวังเองปลอดแท้เลยละอันนี้เป็นจะว่าเป็นการทำบุญดีแท้จริงโดยหวังก็ไปจิต เอาปีบานอะไรมาแหละหวังคพือจะเกิดตวามเจริสละของตัวเองหรุ่คนประโยชน์ที่เขาเจริสละไปถึงสำเร็จอต่โดยเฉพาะส่วนโมฆะอย่งนี็ปัจจันนย่พอตลดกทำกำแพงส่างกำแพงอ่ะประธานยามโยโอกาสเฉพาะทางทินจะมีเศรษิีดี ก็เกษรศรัทธาเพือ่อความสำเร็จของกำแพงเขาหลบปัดสื่ออันนี้เป็นบุญมหาศาลอาตีโมคือบุญที่เก่ามาจนจางยางให้แล้วทำแยกจิตใจเขาก็สบายจิตใจใส่คล่องใส่การประหลุมเน้นการยุติธรรมวัดโมกกัเพื่อความสำเร็จเพื่อความ ทีหลังกำลนดขึ้นทีเอตุแบบนี้ต่อไปทำสลุดมาเรื่อยๆย่งนี้จเสร็จไปอันนี้คือบุญที่แท้จริงบุญอย่างที่เรามาแล้วนะจ๊ะมันเป็นแบบเดินไปตามรลกโลกการที่ปใจยากการที่ปใจยากตลกดจนทิ ให้เฮาปลูกถ ph ้ำเป็นไงคือเฮาเห็นเจ้านี้มาสร้างสภาวะถ้ำให้มันเกิดเป็นแก้เฮารอเน้นเอาปลกเป็นไงเอาตนเป็นไ่เอาถ้ำเป็น่งหูถ้เหูถ้ำเพื่อมาปัจจบัิเพื่อคัดเพื่อเก่าเพื่อบางเพื่อบางอันนี้เป็นยอดบนแต้จะเฉาะ บุญจะเป็นซื่อสื่มเป็นก um. so ่อนบมเเกาะเป็นกรรมเป็นซื่อไน้เน้านบาดาเนี่ยไอ้คนสกววาบุญบุญหนึ่งเป็นสื่อควบคนมสุขเดิื่วคุมสบายสื่อควบโมเดือดโมหอนโมวิ่งโมไหวแล้วจ่บุญหนึ่งก็ต้องแหลตัวเดวยวจะถุจะมือไป เท่าทำกายทำวาจาทำจิตใจเท่าดีเป็นบุญอยู่แล้วพอทะเละอุบายบ่เดียดเดียนจะเป็นบุญอยู่แล้วแม่กระทันหเทาได้มากปฏิบัติธรรมนีกระหิ่เป็นมหาศาลเพื่อจิตละกิเลสเพื่อจิรละตัณหาอุปาทานตกดเปลืความทุกข์ของตัวเองอันนี้เป็นอุทิศจริงอาชานัน อาตมาในฐานะที่ได้มาเกา่าเอีอยมโนยมณีก็จจว่าช้นศรัทธาคนบอ่อยแต่ บ, บอกวันแต่วามาติงเสไ ร, รายม้าโมเรนุิมาเพื่อขึ้นธรรมเทศแจ้งคนกับบังคับบอก ง, อง่ายๆโมยอมเป็นบังคับเลยไปชี่จ่ ใครๆก็วาดเดน้ำป nh ูตนันอาจะมาในฐานะมณิกอตเดกระทยญโยมเอาที่มารวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมวัดโมคคือจะลงวเป็นสาศาสนาทำคำสอนอเอ่าสีเสียมีเจริญอยู่กับุถุบริษัทธ์องค์กากไปจาไปตรง อาจารย์ขออนุโมทนาเกียรจิตที่เฮาได้ทำมาดีสามชีวิตที่ผ่านมาจะให้เ ป, ป็นภาละที่มาให้เฮาหูแจ้งให็นจริงในชีวิตในจิตในใจของเฮาในแัะขอให้มีความสะอาดสว่างสงบให้เกิดขึ้น กบบารหูธรรมยินธรในปัจจุบันเป็นทุกๆคนออพอจบป่าสารวัตหลวงพ่อท่างๆก็สบายใจทุกๆลูกมาไปจเจริญพรละนมหรือเดมารวมกันชีวันโมกมนันทุกๆคนห่วงว่าเป็น จะทำมานเป็นดเดิน้าาจายในตอนลกนวันมาเรียนภาคของโรงกศนในขนะที่เขาเป็นปฏบกาลุกเป็นอันเวัชิเป็นตุกตกฮากจะเล่นได้ตามกูที่ปฏิบัติการทำคำสอน พอเลยม่นั่งทำเตียงให้่ว่าเอาคนแต่ว่าสป็นผู้ที่หลับกกระชาฮพอบางบางสิ่งบางอย่างเกิต่่ิดใจมุมมาต้นน้อยคือมไม่ได้แต่ว่าจะมตลกกนมดี ระลึกถึงบุญคุณในอณนที้มันจ ะ, ะนั่งพรมันทำเป็นตะเกายังนิดหนึ่งในกาะทำประ ก, กือจนต่โดยเฉยนั่ น, น, น แ, ลและเอี ย, ยอากจะมาเนาะออกมาในสณาที่ป็นภูสุขานแตยย่งล้วมีญาติในความีิพูด เร่จะอย่างเอวังจะเดินมีจำกัดเพราะว่าในขณะที่เป็นคน้อมือเรไม่มีติดหน้าเพราะนันคื้กาวเร่องที่จมีตั้ง้อมกอเทื่ทคู่จัเอนเพาว่าเอานา น, าน่มาจะไม่ตลกมันเทียนเป็นหูที่เรีย ในเหตนผลจะมีเหตุมีปัจจัยจากหลงพอเนี่แหละจะจะคนสั่งไนไหนด้วยสนที่ไม่มีธมาเออสนที่มีอจะไม่ในตะลบกตะลุกตไม่้ อ, อ, อ, อยที่ไปบวชุบานบวชยุบานไปเลย กบเานแต่ก็ม่พบกับว่าที่ออกสัญญาเลยรัฐมีการอินทร์การหย่าที่การทันนุกปรดที่ได้ยื่นมาต่าบุบทุกๆคนเดวเบื้องการที่มันจะไล่องมัวร์ติกเล็กมีเครื่อง ก็แปลอ่าอุป채มันโมไปต้องเทีย่ยวตามเที่ยวทำแต่ไม่จะเหี่ยวให้ต้นมือ อ, อกเียวว่าเรอจะมีสร็จโสรต้นโ ม, ม, มถ้าดีปกเดือนคุณผ้าน้พอเป็นผ้ากับน้อพอมหาโดยผอนโดยจมัยเป็นุ่ันนุมมันยังได้ผลเมีพบวัวขส้นนั น, น ไปบ้างไปต้องตุกตุกเป็โค อ, อรราำนาจยังไม่ต้สงเจ็บเปลี่ยนก็ไายานบ้างแต่เลยตองโผล่มนทำปวดตั้งชันไน่ดหนึ่งต่เลยสี ย, สา ย, ยา น, นสายนลนสายอยากจะนั่งด้ยจยันขึ้นมาตโผล่เป็นชานเปเลือดตักไปนันงตองไตามนั้นโผล่ เป็นตะวนนนจะไปหอดไมเล่หัวแดงเดาตายไม่เล่นเดดปีเด็ ม, เเดมันเด็เดข้งดลูกล่างมาวย้าไปหอถึงป่าบริยายนไปเห็นงองพอตัเียอ น, นั้นอยู่ป่าบริยเกาเ่ากำลังเห็ดทำง เอาปตุ้ น, นั้นไปสลายเริ่นผัาเริ่มร้ายดูใจเอ็งเปลี่ยนทางนั้นแ้วก็อ่อนนไปในฝาไปถามถือปักไ ป, กไปตุ้มดองพรอนก็เห็นปรธานถือก็รู้สึกว่ามือพ่วงตัวยิ้มดีเราเคยพบไอ้ช้างถามถือดีเวทเรือร่องเดิมแก็ม่ ปาลาในลมมัเดี๋ยวขัไปดึ่งสุดสุดะเห็นบบาาบบห ม, นนหมหนนนนันเจอแรงพันธะเาะถ้าเราหมกอันนี้ทำไมเนะ่ยตัวหนึ่งจริๆหนาขึ้นเจอแรงยันยันตัวหนี่ก็เต่หลายในก็ณีนกต่างเสียนนี่งในตัวปูต่างเขีย น, น, นพาคู่าันไปแล้วลแ บ, บ, แ บ, บ, บ, วบรรยากาศสงบเยืกเย็นแต่ก็เตัย็นนั่เจ้า งานอยู่ต้องพกัพนะก็ได้พ อ, น อ, น ก, รรพอ ก, กันอยยนะ อ, อมมนคุกนั่งเรื่อจะทำคนไ่อนนั่งคนไปคูกาวไปย่านอาผมก็บนท่านตองพนเตียงคนนั่สองเราทำอยู่ในขณะนั้นอาจจะไปพ อ, พอกันไปู่เขาดีเป็นแต่เดนา เียหม่จะว่าั้วะยังวายวายยืนละคนเพงแคกันยก็ยืนด้กันไม่ได้ไม่จะไม่ผูกพันยอยู่ยอาบน้ำอาบนก่งมันจับตีบางสังจะอัดที่จิไม่นังคนเอาดีโยเพอะควาเขียนมีแต่เอาผ่าวิิบ ยิ่ไป home ใหม่บ่านมันจำคนได้หรอจำนเจ้าใบใหม่บินละเป็นยทธทางในในป่าแต่ตอนนี้มันล้งัำงานงานอะไัทำงานย่างอาบน้ำฉันิ่งไปอาบน้ำกันแต่เราดูแต่เะาอุ่นฉันเห็นัน่บ้านมันอยู่ฉันบอกมันสิอานที่ฉันที่ไยอ้สุ่อาบอยางนี้ก็ยังไปอาบ โอ้บันยากาะนาเขหลบมาเริมสูงป้าปุยยานเขาช่ไ้มแต่กาโดยเฉพาะที่หนูต้องพอเทียนพรอยู่ปัจจุบัเรอจลกเป็นทีป็นหตุอารมณ์เป็นที่เป็นหาเป็าทเป็นตักลัวตอนเป็นอย่างตอนนันเป็นเป็นห้องเป็นที่เป็นห้อง เห็นองค์ไหนทำเทียนเดินชมพสายเงาร์เป็นจังหวิตตกไปหาเห็นองคไนั่งดคุปูนิตายไปแล้วเรไปทำไปได้หเดินมให้จไ่เข้าไปทเป็นมี่จะไปบ้าเเราอยู่่บอกเ อริเยเน้าสาวมันจะมีลักษณะของรลงพอแล้วจะปฏิบัติท่ามีปฏิทวะโตนการยงางการทุกทีวิอย่างมีหลงพอกการสอนมีปฏิทวะอ่าเนมีเป็นผู้ที่มีสติมีมปัญญา ในการเสี่ยงสนทัสงกรรมฐานแต่ต่อจิตวิทยาไม่ทั้งเนั้อน้ิดุจเนื้อจิตว่ทยัเฉพาะูกันแม้กระทั่งที่เรไมายื้นำพันอ่าตก็เป็นประตูกับไม่ตพอตังเสียงนายดึงอันียดหลักหลายทีประทับใจ มันประทใัใจสว่าใจแต่ว่ได้หมายถึงเห็นว่มันขึ้นกจหมายถึงมีการอยสระหลังนีคือยัยอยงไงไม่ได้ทำดินคือมีพระหลายองค์หลายหายตึกคื อ, อมีน้องพ่อนีอ่เรื่อที่เขาบ้านพ่อกูที่เขมาโยนพ่อหลวงบุต เขาด่เป no e ็นเป็นมหาเป็นมาบุญไพอที่ให้มาฉันพอเดียวกันอันไนมาอย่างนี้หลวงพอมีพูดกันมั้ยงพอหนกันต้องเนงพออยังจำมเราอันตียแม่เท่าเนาะคู่เท่าหลงพอย่าปนจะเนืเกิดน้ำเปล่งแเนืเดป็นกนงพอจะเลยมาจะใส กับแม่ยำปลให้ไงเอเซปากับทอนักษะไป็ทักษปมันให้เกิดเป็เงื่อนเอเซปะพ่อทำตะเภาเลยแม่พอนันตะลางบาทให้สิ้นเชิงสิ้นสิ้กระไรยังเลี่ยงไปเร่ไปถามเพืัอนจะให้แม่พ่อเจิดโดยท่านคนเลยนะอ๋อเอ้าไม่สบายเถ้าเลยจะงน้าพ่อไปสู่มันนี้กุศลสิ่ดี ถอนม่กะทำท่างนั่นไม่ทำถอนไม่กระทำท่องอาไรแ่ทำทำเสร็จพอได้ก็ตื่นแต่จะกื่พรเป็นตื่นตื่นเองครับใคาก็เสียทอไมถึงมามีคนตื่นตื่นที่สมมเรานผู้เคยนได้เสียเขาเขดีใจอันนี้คือลักษณะของเรวพ่อทำไมาตื่นใจเท่ากับเคลื่อนถอน เนี่ยโอ้โหเนี่ยดว่าเรื่องสัมพันธคนนะคุณท่านอาจารยนะท่านอาทารย์อาจนเรื่การเดินางเป็นเรื่องธรรมะเนเรื่องธรรมฐานทุกสิทุกอย่างจะเป็นสุด บอกว่าตั้งแต่บรรพิตพลาัตงานงดในขามาตีหงปารลิการมันเป็นวันแต่จะไม่วัามีวันวัมาผ่าจะเอเรียงมาใหมแล้วก็เมตถึงคนดีคนงามแต่ถือว่าเป็นเป็นพคนที่สองเลในขามาตี เอาที่มาดูสักคำแสดที่เป็นชวะที่เป็นประโยชน์ที่ดังพอเลยแนะนำในคำพูดภาษาที่เรานในสนที่เรีนไต่าที่เป็นลัะที่เป็นประโยชน์เสียองือที่เป็นที่ีระงอไปท ใจเราไม่สีมารถที่หะปกปิดความรู้สึกนองเลือดรู้กายรูว่าจะรูใจมากสุดปฏิบัติใหเานี่ยลดน้อยถอยลงจากควาทุกข์ความโศควอะไรความว้อคามตืนมาเรเป็นผู้ที่ปลดมื่อปลดเท่เป็นที่สัด ตลมานสมนทของติกรรเกิดผม่ได้มาได้มาอ่บจะที่ว่ามินั้นเรื่องจะเป็นคะมาเกคนนี้ไจใจเรอะไรเาก็ะังกันมาเป็นเป็นโมโหวนนอควรคุณี่ เพื่อมารวมเป็นกลุองที medic, ่ม่น้อยนะคร h บทุกๆคนมีอารมณ์เหมือนกันก็เกิดปฏิกิบัติขึ้นเพื่ออารมณ์กลุ่มจะแสวงหามุขจะคใจถึงอาจงคนที่าศัในปฏบติภจงทุกคน